การสวดมนต์ทำวัดเนาะก็เหมือนเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอืความรู้สึกมันเหมือนคล้ายๆล้าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าของเราแล้วเราก็ได้ได้กราบไหว้ในสวดมนตน์น้อมเะาึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจก็รู้สึกมั่นคงนะเพราะว่า เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ที่แท้จริงน่ะคือคือที่พึ่งที่แท้จริงของเราในชีวิตนี้พยายามให้ทําความรู้สึกเช่นนี้นเวลาสวดมนต์ไหว้พระหรือเวลากราบพระเองก็ดีถ้าจิตใจเราน้อมไปในทางนั้นมันจะเป็นการส่งเสริมให้จิตใจมันมีความเรียกว่ามั่นคงแล้วก็เบิกบานใจ มั่นคงเพราะว่าเรารู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรเบิกบานใจเพราะรู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงนั้นเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐเป็นที่พึ่งที่ดีนามแน่นอนเมื่อเรามีความมั่นคงมีความเบิกบานใจชีวิตก็เกิดความปลอดภัยเกิดความสุขในการใช้ชีวิตนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้สวดมนต์ทวัดกันแต่ทุกเช้ามันก็เป็นการระลึก ระลึกถึงคุณพระรัตนไตยแต่ก่อนตอนเคยเดินทุดงค์ใหม่ๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้สวดมนต์เราก็คิดว่าเราก็เราจะเดินสติในชีวิตประจําวันแทนนะเดินมาก็จะเหนื่อยจะลาแล้วก็อยากจะพักก็มีพระท่านก็แนะนําว่าเออการสวดมนต์ไหว้พระนี้ไม่ควรที่จะขาดนะมันก็ทําให้เราคล้ายๆเป็นกิจวัตรที่เราจะพึงทํา ก็เลยลองทําตามท่านดูก็ก็เห็นผลดีตามนั้นจริงๆว่าเออพอเรามีกิจวัตรในการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเนี่ยมันช่วยฝึกเราหลายหลา ย, ลา ย, ลายอย่างหรือบางทีก็ทําให้เรารู้จักตัวเองในหลายๆด้านมากขึ้ น, นเอาง่ายๆอ่อาเช่นเราจะสวดมนต์ไหว้พระกันพร่องเป็นประจําเวลายอยู่ที่วัดแต่พอมาสวดมนต์อ่า โดยไม่ต้องดูหนังสือนะบางทีบางบทอาจาจะจําไม่ค่อยได้ก็ได้ยิ่งถ้าเราได้สวดคนเดียวนะโดยไม่ดูหนังสือเราจะเห็นว่าเออให้ความจํำนี่ก็ไม่เที่ยงบางทีมันจาได้เพราะว่ามีเพื่อนระลึกได้ก่อนเราก็ค่อยตามมาแต่ถ้าเราสวดคนเดียวนี่บางทีมันอาจจะมันลืมได้ง่ายมากแม้แต่บททำวัดเช้าทำวัดเย็นที่สวดคล้องเป็นประจํานี่แหละแล้วก็เออเอาไปเอามามันก็ลืมมันก็เห็ น, นจริง ไอ้สัญญาที่ว่าไม่เที่ยงมันเป็นแบบไหนนะเราก็เห็นนะแต่เราก็ไม่ได้เห็นแล้วก็ตําหนิตัวเองเห็นแล้วก็เอ อ, เออมีความตั้งใจมากขึ้นก็เห็นนะว่าถ้าช่วงไหนมันมีความตั้งใจดีมีสมาธิดีนะสติมันก็ดีความจํามันก็ดีขึ้นถ้าช่วงไหนเออมันความตั้งใจน้อยไปหน่อยนะบางทีสติมันก็ลึกลึกคำ คำพูดคำสวดไม่ได้มันก็ลืมไปมันก็เป็นแบบนั้นแต่บางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับสติบางทีมันก็เป็นเรื่องของการลืมกาหลงของมันเองมันจาไม่ได้เพราะว่ามันไม่กินมันไม่คล้องก็มีเราก็เห็นเอาง่ายๆตั้งแต่ตรงนี้แล้วเราก็ที่จริงพอเราทำบ่อยๆมันก็ความชานาญความคล้องตัวมันก็มากขึ้นด้วยแล้วอย่างแม้แต่เรื่องบางทีเราเห็นบางทีเรื่องความ เหนื่อยล้าของร่างกายบางทีมันก็ส่งผลต่อความเหนื่อยล้าของจิตใจเดินทางไกลเนาะบางทีก็อยากจะพักมากขึ้นไม่อยากจะตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าอยากจะรอบิดาบาศรอไปเดินทางต่อบาทีเราก็ได้ฝึกจิตใจเออไม่เจ๊กายจะเหนื่อยล้าขนาดไหนแต่เราก็มีข้อวัดที่เราจะทำไว้อยู่เสมอเราก็เป็นการปุกให้ กายแล้ก็ใจตื่นขึ้นมาเพื่อทํากิจวัตรตรงนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ที่ดีงานที่ทําให้เราเออเป็นเครื่องปลูกเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องเตือนให้เราไม่เรียกว่าไม่ย่อหย่อนตามความอยากเพราะบางทีความอยากเนี่มันมาหลายทางยิ่งเราออกเดินทุ ด, ดงออกนอกสถานที่แนนีะ้มันจะเห็นความอยากเล็กเล็กน้อยน้อยะหลายๆอย่างมากมาย ทั้งที่จริงๆความหยากพวกนี้ก็มีอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมันโดนอะไรบางอย่างซึ่งทําให้ไม่ได้เห็นแต่พอเราออกเดินทางเนี่ยบางทีความอยากโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องเรื่องการรับประทานเรื่องการกินอนี่นะโอ้บางทีเราเคยอยู่วัดมีอาหารการกินสมบูรณ์มากมายแต่พอออกมาเดินทางบางวันก็มีให้เลือกมาก บางวันก็อาจจะไม่มีให้เลือกเลยนะหรือมีให้เลือกนิดหน่อยนะแล้วก็เห็นหรือแม้แต่เรื่องแต่ก่อนเราเคยใช้ใช้เงินใช้ทองในการซื้อซื้อของของใช้ของทานแต่พอมีข้อวัดว่าเออเราจะไม่ใช้เงินใช้ทองนะเราจะใช้แต่ของที่มีคนถวายหรือเป็นของที่ได้ตามสมควรแก่การรัฐเทศตัพอเรา เห็นตอนนี้เออเราก็จะห้ามใจตัวเองได้บางทีมันมันมีความอยากที่จะใช้ใช้เงินใช้ทองในการอาเวยความสะดวกที่จริงถ้าแยกกันจริงความสะดวกกับความจำเป็นมันแตกต่างกันที่จริงของที่เราพอจะมีบางทีก็มันก็เพียงพอต่อความจำเป็นละแต่เพียงแต่ว่ามันไม่สะดวกเท่านั้นถ้าเราเห็นโอ้ที่จริงบางทีปัจจัยภายนอกเป็นเงินเป็นทองเป็นของ บางอย่างมันเป็นแค่ความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่มอาจจะไม่ใช่ความจำเป็นในการใช้ชีวิตก็ได้นะความจะเป็นในการใช้ชีวิตมันอาจจะไม่มากอย่างที่เราคิดก็ได้ที่จริงก็คือความคิดมันหลอกให้เรามีอะไรมากมายในชีวิตนะคนส่วนใหญ่ก็เลยพยายามที่จะกรโดนความคิดมันหลอกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นความอ่ บางทเขาใชเรียกว่าความจําเป็นแต่จริงก็คือมันเป็นเพียงแค่ความสะดวกนะเขโดนความคิดมันดอกให้หานั่นหานี่สะสมนั่นสะสมนีนะ่เตรียมพร้อมอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อกลัวนะเพราะว่ากลัวว่าชีวิตนี้จะไม่สะดวกชีวิตนี้จะไม่สบายชีวิตนี้จะมีปัญหาอุปสรรคแต่ที่จริงถ้าเราเห็นจริงที่จริงความจําเป็นของชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแค่ปจัจจัยสี่พื้นฐานของการใช้ชีวิตนี้ ชีวิตนี้ก็พออยู่ได้ละหรือที่จริงแม้แต่เรื่องของปัจจัยสี่มันก็มีหลายอย่างที่เราพิจารณาจริงๆมันก็อะไรเป็นไปเพื่อความประดับอะไรเป็นไปเพื่อความตกแตง่งอะไรเป็นไปเพื่อความสวยงามหรืออะไรเป็นไปเพื่อความจาเป็นจริงๆถ้าเราเห็นว่าอ้อที่จริงความจาเป็นที่จริงมันไม่ใช่ต้องประดับต้องตกแตง่งต้องสวยงามต้องมีราคามากมายแค่พอได้ใช้นะกันร้อนกันหนาว กันรลมกันฝนหรือเพียงเพื่อประทางชีวิตให้ได้อิ่มให้ได้ปรรเทาโรคภัยไข้เจ็บไอ้พวกนี้จะเป็นความจําเป็นของชีวิตจริงๆถ้าเราเห็นอ้ชีวิตถ้ามันชีวิตเป็นแบบนี้มันเบามากนะเหมือนเราเห็นสัตว์ต่างๆสต่างเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเขาพออยู่กันได้แต่มนุษย์เราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายมากแล้วก็ยังไม่พอ้นะ ก็ยังไม่ไม่เพียงพอสัก ท, ทีก็หากันไปเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพูดแบบนี้คือการปฏิเสธว่าไม่ให้มีสิ่งของที่เกินปัจจัยสี่เท่านั้นเพราะที่จริงมนุษย์เราก็มีหน้าที่หลายอย่างที่ต้องเกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับตนเองในการดำเนินชีวิตแต่เรามีหน้าที่ต้องเกี่ยวข้องในการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยอันนั้นสิ่งของที่มันเกินมาบางทีก็เป็นประโยชน์ที่ในการใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นนี่ถ้าเราอาศัยการการมีเพื่อที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นหรือการมีเพื่อที่จะทำประโยชน์ต่อสิ่งอื่นแบบนี้ก็สามารถทำได้นะไม่เป็นไรนะเช่นบางคนอย่างพวกเราบางคนพกยามาก็ไม่คิดว่าเผื่อตัวเองจะเจ็บอะไรหรอกแต่บางทีก็พกเผื่อเพื่อนที่จะเจ็บร่างเออก็เป็นไปได้นะหรือบางทีบางคนก็ อย่างเราเกี่ยวข้องกับการงานข้างนอกนะบางทีก็เออของบางอย่างไม่ใช่ว่าเราจําเป็นต้องใช้แต่เราใช้เพื่อในการช่วยคนอื่นหรือใช้เพื่อในหน้าที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เห็นว่าอ้อพวกนี้มันมีมันมีมาใช้เพื่อประโยชน์อะไรนะแต่มันเป็นอแต่เรียกว่ามันเป็นความจําเป็นไหมนะบางทีมันก็จําเป็นเพียงแค่ในหน้าที่นะ แต่ไม่จำเป็นในการดำานงชีวิตหรอกนะในการดำเนิชีวิตแต่บางอย่างก็สัมพันธ์กันถ้าไม่มีหน้าที่มันก็ไ ม, ม่ก็ไม่สามารถดำเนิชีวิตได้สะดวกมันก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเนาะปัจจัยที่เป็นความจำเป็นของชีวิตคืออะไรปัจจัยที่เป็นส่วนในการสมคอเกื้อกูลหรือความสัมพันธ์กับหน้าที่การงานหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมโลกหรือว่า สรรพสัต ท, ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่เราแยกแยะได้อ๋ออันนี้แหละเป็นสิ่งที่ที่เราก็ต้องเกี่ยวข้องให้ถูกแต่ตรงนี้จะมีการพิจารณาแบบไหนถึงเราจะใช้ได้ถูกก็ต้องมีปัญญาต้องมีธรรมะในแหละเป็นตัวพิจารณาอย่างที่พูดไว้เบื้องต้นว่าบางทีไอ้ตัวที่สําคัญคือความอยากหรือว่าตัณหาหรือมันปรุงแต่งไปกลายเป็นสังขารหรือเป็นความคิดได้นะ ให้ความคิดนี่แหละมันจะรากให้ให้เราสะสมะหรือว่าให้เราทำตามความอยากถ้าเรามีปัญญาถ้าเรามีสติเรามีธรรมะเป็นตัวกากับในการใช้ชีวิตจะทำให้เราตระหนักรู้ถึงความจำเป็นของสิ่งที่จะใช้หรือว่าขนาดที่ใช้ก็จะใช้อย่างเรียกว่ามีสติไม่หลงไปกับเขาเช่นเราทานอาหารเราก็ทานอย่างมีสติไม่ใช่หลงไปกับรสชาติ เราได้นอนในที่นอนอุ่นๆเราก็นอนด้วยความมีสติไม่ใช่นอนด้วยความเรียกว่ามีความสุขความสบายในการนอนแต่ติดการนอนนเรามีอะไรเราก็ใช้อย่างรู้คุณค่าแล้วก็ไม่ติดในสิ่งที่ใช้ในสิ่งที่เสพนั้นอันนี้คือเรียกว่าเป็นสตินะเรารู้เท่าทันในการใช้แล้วก็ไม่ติดกับมันไม่ติดในรสชาติไม่ติดกับสิ่งของไม่ติดกับ สิ่งที่เกี่ยวข้องอันนี้คือใช้อย่างมีปัญญาใช้แบบรู้ว่าควรจะรักษาแบบไหนควรจะใช้แบบใดแล้วก็มันเป็นความที่เราจะต้องเกี่ยวข้องต้องติดมันไหมอันนี้เราก็ต้องเอาสติเอาตัวปัญญาแหละมาเป็นตัวเกี่ยวข้องกับสิ่งของต่างๆถ้าเรามีมีสติมีปัญญาในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วชีวิตก็ปลอดภัยเพราะว่า เราใช้แบบผู้รู้ไมใ่ใช่ใช้แบบผู้หลงนะไม่ใช่เป็นผู้ที่หลงใช้สิ่งของแต่เราใช้อยากเป็นผู้รู้รู้ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะมันเป็นสิ่งที่อย่างที่เราได้สวดบทธาตุปัจเจเวก็คือสิ่งต่างๆมันก็เป็นเพียงแค่ธาตุต่างๆที่มาประกอบกันนะไม่สามารถยึดมั่นสําคัญหมายได้อาหาร ตอนที่เราทานเข้าไปมันก็หน้าตามันก็ดูดูดีน่าอร่อยแต่พอทานเข้าไปย่อยกระลายไปก็กลายเป็นอุจจาระเป็นของที่น่าเกลียดไปทั้งหมดสิ่งของเสื้อผ้าต่างๆรักมามีใหม่มันก็สะอาดมันก็หอมแต่พอถูกถูกกับกายถูกกับเหงือ่อถูกกับความร้อนในตัวของเราเองก็กลายเป็นสิ่งสกปรปกเป็นสิ่งที่เหม็นไป อะไรต่างๆก็เป็นเช่นนี้แม้แต่ในตัวในกายของเราเองก็ดีนะมันดูภายนอกอาจจะดูดีด้วยผิวหนังด้วยเสื้อผ้าแต่พอดูไปดีๆแล้วมันมีอะไรน่าดูบ้างนะแม้แต่ตัวของเราเองเราเราดูตัวเองแล้วเราเห็นไหมสิ่งที่มันไม่งามสิ่งที่มันไม่ดีที่เป็นเนื้องในกายของเราเองก็มีมากมายแต่มันมีการปกป้องปกปิดไว้ให้เห็นเฉยๆ ในในด้านที่พอจะดูได้แต่ถ้าเราเห็นจริงๆแล้วเออมันก็เป็นสิ่งที่สกรปรกเป็นสิ่งที่น่าเกลียดจริงๆถ้าเราพิจารณาในกายนี้ดีๆเนาะการที่จะหลงยึดในกายตัวเองมันก็อาจจะลดน้อยลงไปแล้วก็การที่จะหลงยึดในกายของผู้อื่นสิ่งอื่นก็เช่นเดียวกันมันก็ต่างไปด้วยเช่นเดียวกันก็คือเห็นว่าโอ้กายนี้มันเป็นของที่น่าเกลียดไม่สามารถยึดได้นะ แต่ก็ อ, กอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยก็คือเรื่องของจิตใจก็เช่นเดียวกันจิตใจอาจจะตัวอย่างเช่นความคิดความคิดมันเกิดขึ้นถ้าเราเห็นเห็นมันเกิดขึ้นเฉยๆโดยไม่เข้าไปยึดในความคิดแค่รู้สึกว่าจิตมันคิดแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้คิดนะถ้าเห็นอ้อเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิต เห็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นกับจิตแค่เป็นผู้ดูมีสติเป็นผู้ดูเห็นว่าจิตมันคิดมันรู้สึกมันโดนปรุงแต่งแบบนั้นแต่จิตก็ไม่ใช่เราจิตมันก็เป็นอะไรที่เพียงแค่ความคิดเข้ามาจรมาชั่วคราวเท่านั้นก็พยายามเห็นในแง่นี้ไ ป, ป่อยถ้าเห็นในแง่นี้บ่อจะเห็นว่าอ้อที่จริงปัญญามันก็ออกมาออก ออกม า, าทำความเข้าใจว่าออสังคานการปรุงแต่งมันก็ไม่ใช่จิตมันเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตจิตนี้ก็ไม่ใช่เรากายนี้ก็ไม่ใช่เราเร า, เราจะเราเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาตรงนี้เนาะพยายามทําความเข้าใจในแง่ของกายและใจว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไป มันมีแต่สภาวะที่เป็นของที่เป็นทุกข์เป็นของที่น่าเกลียดไม่สามารถไปไปหยิบไปจับไปฉวยไปยึดไปได้เมื่ออะไรที่เราไียึดทุกข์จับทุกข์เมื่อ น, นั้นมันก็เกิดเป็นความทุกข์นะเพราะทุกข์แปลว่าการการที่มันไม่สามารถดำรงอยู่ได้ทุกข์คือสภาวะที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปทุกข์คือสภาวะที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของใคร มันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเพียงธาตุสี่ันห้าซึ่งมาประกอบกันชั่วคราวเท่านั้นไปยึดได้หรือเปล่าไปยึดเมื่ อ, อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นนะให้เราพยายามพิจารณาแบบนี้บ้างในบางขณะหรือไม่ต้องใช้ความคิดพิจารณาก็ใช้สติในการดูศึกษาไปเรื่อยเจนทั้งจิตมันเกิดปัญญาของมันเองในแง่นี้แหละนะถ้าเราจรินสติแล้วก็เกิดปัญญาแค่นี การพิจารณาสิ่งต่างๆในชีวิตในธรรมชาติมันก็จะเป็นไปในทางที่เรียกว่ามีธรรมะเป็นตัวกำกับนะก็จะไม่หลงโลกเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่กับโลกอย่างที่ไม่หลงโลกนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเคยเตือนท่านเคยบอกว่าสู่ทั้งหลายจะมาดูโลกนี้อันวิจิตรงดงามดุจราชรถซึ่งคนเขาเขาหมกอยู่แต่ผู้ที่มีปัญญาหาข้องอยู่ไม่ ผู้รู้ทั้งหลายท่านจะเห็นว่าโลกนี้จะโลกที่ความหมายแคบๆก็คือกายแล้วก็ใจนี้ก็ดีโลกที่เป็นความหมายทึ้งสิ่งของที่เป็นอยู่ในบนโลกเป็นดาวเคราะนี้ก็ดีหรือโลกที่เป็นทั้งจั ก, กรวาลก็ดีจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทั้งเป็นภายนอกแล้วก็สิ่งที่เป็นภายในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆก็แล้วแต่เนาะผู้รู้ทั้งหลายไม่ติดในโลกทั้งสามไม่ติดนะ ไม่ไม่ไม่ไม่ไมใช่ว่าพอไม่พอใจในโลกมนุษย์ไปพอใจในโลกสวรรค์ในโลกของผมก็ไม่ใช่ก็คือว่าเห็นว่าโลกที่มีการเวียนว่ายแต่เกิดมีความทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเนี่ยแหละเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาผู้รู้ทั้งหลายเห็นแล้วว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาก็ไม่ยึดในโลกนี้นะก็เกิดการปล่อยวางคือความไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็อยู่กับโลกอย่างน้ำลงธาตุขันเพื่ออนุเคราะห์โลกเท่านั้นไม่ใช่อยู่ไปเพื่อเจ็บกับสิ่งที่มันมีในโลกแต่อยู่เพีย ง, งเพื่ออนุเคราะห์โลกนะอยู่อย่างรู้เท่าทันเนาะว่เราก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากการได้มีกายิจัยนี้เพื่อศึกษาโลกทําความเป็นจริงแล้วได้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตนะ